เป็นไงนะ้อสติปัฏฐานจเจริญเป็นไงบ้างคุณตี่ดาข้อมูลเยอะเหลือเกินนะเานาะความรู้ก็ามากถ้าว่า รับไปเยอะนะคุณฉเฉลิมไปไงบ้างมาเรียนอ๋อแต่ความสบายใจไปก็ดีแล้ว กล่าไปนะวิชานี้ยังมีเหลือในโลกนี่ก็ถือว่าเป็ น, เ ป, นเป็นบุญวาสนาของเราลนะ้นั่นนะที่ยังมีวิชานี้เหลือในโลกนั่นนะเพราะว่าโดยทั่วไปแล้ววิชานี้ยมันจะหมดร่ำรอดร่ำรอเต็มทีแล้วแต่ถ้าว่าโดยรวมๆแล้วก็ไม่ยุคต่ำกว่าร้อยปีนี่วิชานี้ก็ไม่มีอยู่แล้วนั่นนะ คือพระพุทธศาสนาเป็นวิชาที่ไม่ไม่สาธารณะจริงๆเนี่ยนะเพราะว่าเป็นวิชาที่ทวนกระแสใช้คําว่ากระแสโลกเลยนะียทวนอุปาทานขันห้าหมดทุกอย่างเนี่ยนะคือเป็นคําสอนที่มุ่งออกจากภพเนี่ยนะเป็นคําสอนที่มุ่งออกออกจากอุปาทานขันห้าดังนั้นคําสอนที่ที่เพื่อออกจากอุปาทานขันห้ า, านี่นะ ในหมู่สัตว์ที่ต้องการขันห้าวันนั้นสัตว์ทั้งหลายตั้งเป้าไม้ตั้งจุดประสงค์เพื่อขันห้าใช่ไหยแต่คําสอนสอนเพื่อให้ให้ออกจากขันห้านั่นนะคาสอนเหล่านี้ก็จะมีชั่วระยะหนึ่งมีชั่วสมัยที่คนมีบุญนั่นแหละถ้าคนมีบุญเขาหมดไปเรื่อยๆคำสอนเหล่านี้ก็จะหมดไปนั่นแหละเพราะบุคคลอื่นไม่สามารถจะรองรับได้นั่นแหละ เพราะว่าผู้ที่จะรองรับคำสอนเหล่านี้ได้กุศลแลจิตเกิดมากเพราะเป็นวิชาที่รับเรียกว่าเหมาะกับกุศลจิตอย่างเดียวคือไม่เหมาะกับจิตอื่นถ้าจิตอื่นเกิดขึ้นนะเช่นราคะจิตเกิดขึ้นก็ไม่สามารถจะรองรับคำสอนอันนี้ได้เนี่ยนะเพราะว่าจะเริ่มบิดคำสอนแล้เนี่ยเพื่อเพื่อมาสนองราคะเนี่ยนะถ้าโทสะเกิดก็ไปบิดคาสอนอีก ถ้าโมหะรู้ไม่เท่าถึงคำสอนก็ทำลายอย่างสบายๆมากนั้นก็ไม่เหมาะกับราคะโทสะโมหะเนี่ย น, นะถ้าอากุศลกลุ่มรุมแล้ววิชานี้รับค่อนข้างยากนะเพราะวิชาที่เพื่อออกจากราคะออกจากโทสะออกจากโมหะอันถ้าโลภะโทสะโมหะกลุ่มรวมก็เป็นอันว่าหมดวม่ากัน้นแท้ คำสอนในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะแค่ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจยังยากนะเนีสำนวนว่าไม่จำกล่าวถึงการปฏิบัติอางนั้นเถอะปฏิบัติยากกว่านั้นเยอะเนี่ยนะแค่เรียนให้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะ ก, ก็ยากแล้วแล้วก็มาร่วมกันสะสมอุปนิสยัยสะสมอัธยาสายไปนะเนี่แนะ <c oughs> ม้กระทั่งถึงคำสอนอยู่ในยุค ขนาดอย่างทุกวันเนี่ยนะก็หาที่เรียนที่ศึกษานี่ก็ยากแล้วอย่างตอนนี้นะถ้าน้องชายจะบวชนี่ส่งไปเรียนที่ไหนนนถ้าน้องชายมาปรึกษาว่าจะบวชนี่อยากจะศึกษาคำสอนนี่จะไปอยู่ที่ไหนดีเนี่ยนะของมาไม่รู้จะแนะนำไปที่ไหนเน่นะเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่ถือว่าเต็มทีมาแล้วเนี่นะที่เป็นคำสอนนี่จะเหลือน้อยลงน้อยลง แล้วก็คนผิดไม่มีด้วยเพราะว่าทุกคนเนี่ยถือว่าอะไรก็ตามด้อยู่กับเรามันถูกหมดเนี่ยนะถ้าอยู่กับคนอื่นเนี่ยผิดหมดนันนะก็เชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองเป็นเนี่ยอย่างเต็มที่หมดเลยน่นะมั่นใจค่อนข้างสูงมากแล้วก็ไม่มีโอกาสตรวจสอบไม่มีโอกาสเช็คทบทวนอะไรเลยผิดถูกยังไงก็ไม่มีการแยกแยะและ คิดว่าประกาศถึงว่าหมูสัตว์นี่เสริมเต็มที่เลยนะเสริมจริงๆก็อีกไม่นานคิดว่ามีขันยีมันน่าจะแต่นี้ก็เข้ามาเยอะแล้วนะอักุุลกรรมาบทนี่ก็สรรเสริญกันเต็มที่แล้วอายุก็ลดลงลดลงลดลงไปเรื่อยๆนั่นนะด้วยเหตุผลต่างๆเลยนะอายุจะลดลงไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆในที่สุดก็คิว่า มนุษย์เนี่ยจะตายแบบร่างโลกเนี่ยด้วยเหตุสามอย่างหนึ่งก็สงครามานั่นแหละเข็นฆ่ากันก็บอกว่าถ้ามันถึงยุคหนึ่งนะมันมองทุกอย่างเป็นอาวุธได้หมดเล ย, ยนัะเอามาประหัดประหารกันได้หมดเลยจับอะไรเป็นอาวุธหมดนั่นแหละเนี่ยถ้าถ้าสายโทสะมันกลุ่มรุมถ้าสายโลภะมันกลุ่มรุมเนี่ยนะข้าวยากหมากแพงอดอยากกันเต็มที่นั่นแหละไม่รู้จะกินอะไร ถ้าโมหะกลุ่มรวมนี่ก็โรคกําเริบหมดก็เรียกว่ามันเจ็บมันป่วยถ้าโรคกลุ่มรวมเนี่ยดีกว่าเพื่อนก็คนยังมีกรุณาต่อกันบ้างถ้าทุกคนป่วยกันหมดเนี่ยก็บอกว่าถ้าในยุคนั้นเนี่ยไปสุขคติกันซะโดยมากแต่ถ้าอดอยากกลุ่มรมเนี่ยตายแล้วไปเกิดเป็นเ ป, นเปรตก็โดยมากโทสะกลุ่มรมก็นรกซะส่วนมากแต่ถ้าโรคภัยเบียดเบียนกันมากมากนะพวกนี้จะเมตตาต่อกัน เห็นคนไข้ที่ป่วยกระสาะกระแซด้วยกันมันทะเลาะกันไหมมีไหมปวดฟันทั้งคู่เลยนะมีไหมหมอมาเถียงกันเนี่ยนะทะเลาะกันหน้าดูเลยนะไม่มีอ่เนระมีเมตตาต่อกั้นเนะคือมันเห็นใจกันมากอะเพื่อนเนี่ยนะหัวอกเดียวกันเหมือนกันเน่ยอืม แต่ประกาศถึงว่าคําสอนในพระพุทธศาสนาที่เป็นคําสอนที่เป็นไปเพื่อกําจัดโลภะโทสะโมหะเนี่ยเป็นอย่างนั้นงไงก็ค่อยๆหมดไปเรื่อยๆขนาดห้องเรามันยังค่อยๆหมดไปเลยนะคือไม่ไม่แปลกใจนะว่ามันมีวงเดียวะที่ฝังทำนานกับเพื่อนนะะทาหมดก็ไม่ได้แปลกใจเลยนะเพราะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆ ทำไงอ๋อได้เดี๋ยวข อ, ของอาจารย์สงขัยอะนะ <c oughs> คนอรจารย์กันละคุยผิด <c oughs> ของขามาเนะยคนเดียวก็เรียน <c oughs> อันเนี้ยตั้งไว้นะคือสอนเนี่ยอาจจะไม่สอนนะนะบอกคนเดียวก็เรียนว่า ง, งั้นเถอะใครจะเลิกก็เลิกไปแต่ฉันไม่เลิก <c oughs> เพราะถือว่าไม่มีทางออกอื่นจริงๆในในในวัตตะเนี่ยนะ ใครเข้าใจวิธีที่จะออกจากวัฏตะได้บ้างไม่มีวิธีอื่นจริงจริงวิธีอื่นๆก็คือวิธีสร้างวัฏตะเท่านั้นวิชาโดยมากกันไนหะเช่นวิชาทางโลกก็คือวิชาเพื่อต้องการสร้างขันธ์ห้าแต่ว่าสร้างขันธ์ห้าในโลกนี้วิชาศาสนาทั่วๆไปก็คือต้องการขันธ์ห้าในโลกหน้าศาสนาอื่นนะที่เว้นศาสนาพุทธ เป็นการต้องการขันห้าในโลกหน้าอีกเก็คือเป็นวิชาที่สร้างขันห้าหมดเลยแต่ว่าวิชาที่เป็นไปเพื่อหมดจากขันห้าเนี่ยไม่มีถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยวิปรารถในขันห้าว่าขันห้าเป็นเป็นอัตตาเนี่ยนะหรือเป็นเราเพราะก็ไม่อยากให้ขันห้ามันหมดไปก็อยากจะอนุรักษ์มันไว้เต็มที่ ผู้ที่ศึกษาคำสอนเพื่อจะหลุดพ้นไปจากขันห้าเนี่ยนะพวกนี้ต้องมีอัธยาศัยที่จะเห็นภัยของขันห้ามานานเนี่ยนะคือเรียกว่าบุญเก่ามีอ่ะนะบุญเก่ามกีก็คือลักษณะคนยุคนี้ที่ทำบุญแล้วก็จงเป็นไปเพื่อตรัสรู้เธอเนี่ยนะกอุปนิสัยอันนี้แหละที่สะสมเอาไว้จนความคิดอันนี้มันมีกำลังมากขึ้นมากขึ้น รังเกียจขันห้ามากขึ้นมากขึ้นโดยที่สุดรังเกียจแม้กระทั่งความคิดเลยว่าเนี่ยความคิดมันก็วุ่นวายอยู่กับความคิดนะโดยที่สุดนะยังบอกว่าความคิดที่เป็นกุศลก็ยังวุ่นวายอีกอยู่ดีมันเป็นสังขารธรรมเนี่ยนะต้องการหลีกออกจากสังขารทุกชนิดนั่นแหละพวกอัธยาศัยแบบเนี้ฟังธรรมะจากฟังคําสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยจึงจะได้อัธรศอย่างเต็มที่เนีย่ยนะคือต้องมีอัธยาศัยแบบนี้ แต่ถ้าไม่มีอัธยาศัยแบบนี้เนี่ยนะก็บอกว่าแม่พูดไม่ค่อยรู้เรื่องว่างั้นเถอะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเป็นวิชาในลักษณะนั้น <c oughs> ในสังโยชน์นี่ก็ว่าไปหลายๆสังโยชน์เลยนะอย่างน้อยก็ทิฏฐิสังโยชน์คงพิจารณาเรื่องทิฏฐิได้มากขึ้นนะว่า อะไรเป็นทิฐิอะไรไม่ใช่ทิฐิทิฏฐินั้นเป็นปัจจัยที่สําคัญของวิจิตรชา้าใช่ไหมพอมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งเข้าก็อโยนิโสมรสิกามเกิดขึ้นก็จะสงสยัยสงสัยในอดีตบ้างสงสัยในอนาคตบ้างสงสัยในปัจจุบันเนี่ยบ้างนี่อย่างหนึ่งนี่ก็พอสงสัยขึ้นบางกลุ่มก็ ปฏิบัติตามไอเรียกว่าศีลพัต์ปราหมาทนี่นะถือลทัทธิต่างๆปฏิบัติในศีลพลศีลพลที่ไม่ใช่กุศลน่นนะคือทําด้วยอํานาจของอกุศลก็เป็นศีลพัต์ปราหมาตผู้ที่ศึกษาในในส่วนนี้นะธรรมะพวกนี้จะเป็นเจตสิกอย่างเดียวมันคัดเอาเรื่องรูปออกไปคัดเรื่องเอาเรื่องจิตเรื่องเวทนานี้ออกไปมาจะเหลือเป็นเจตสิกที่ ค่อนข้างยากยากฮัพวกที่ศึกษาเนี่ยกลุ่มเนี่ยจะเป็นทิฏจริตรส่วนใหญ่นั่นพวกทิฏจริตพวกคิดอะไรที่มันยากยากคิดอะไรลึกๆึกเลยคิดอะไรที่มันลึกซึ้งที่เขาไม่ค่อยคิดกันเนี่ยเนี่ยคือกลุ่มธรรมานุปัสนานั่นนะเพราะว่าผู้ที่เจริญธรรมานุปัสนานั้นความรู้ด้านอื่นๆเนี่ยประกอบต้องมากนั่นนะเช่นอย่างในบัพทะนี่นะอายตนะบัพทะเนี่ยคือการเรียนรู้เรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจ เนี่ยนะหรือการเรียนรู้เรื่องรูปอ่าขออภัยอารมณ์นะรูปเสียงกลิ่นรสโภธภะธรรมรมเนี่ยการเรียนรู้พวกนั้นก็เรียนรู้มามากแล้วเช่นตาหูจมูกลิ้นกายจายรูปเสียงกลิ่นรสโภธภะนี้ก็โดยมากอยู่ในกายานุปัสนาอยู่แล้วเ่ยนนะทีนี้ส่วนทวารใจเนี่ยนะตัวจิตก็เป็นจิตตานุปัสนาอยู่แล้วเนี่ยนะส่วนธรรมรมบางอย่างที่มันใหญ่กว่าเพื่อนี่คือเวทนาก็พูดใน เวทนานุปัสนามาอยู่แล้วพรานพอมาเนี่ยบภะหลังจากนั้นเนี่ยจะมาไครควรวนมาเอาสิ่งที่มันลึกไปกว่านั้นเนี่ยมามาที่บายมาจำแนกมาแจกแจงขึ้นในมาดูครั้งก่อนๆได้พูดถึงว่าพระโสดาบันเนี่ยจะเป็นผู้ที่ละสังโยชน์สามประการนี้ได้เด็ดขาดแล้วนะคือ สกายทิธฐิวิจิกิจชาและสีละพาตตปรามากน่นะถ้าเข้าใจอันนี้ก็เอาไว้เจริญสังฆคุณเนี่ยดีใช่ไหมพระโสดาบั น, นท่านกำจัดสังโยชนเหล่านี้ได้แล้วนี้ต่อไปส่วนสังโยชนที่พระโสดาบันละได้คือริสยาสังโยชนกับมัชริยะสังโยชนเนี่ยนะที่ท้าวสกาไปถามพระพุทธเจ้านะว่าสัตว์โลกเนี่ย ไม่ต้องการจะมีเวรไม่ต้องการมีศัตรูไม่ต้องการมีปัญหาหว่างั้นเถอะไม่ต้องการทะเลาะเบาะแวงไม่ต้องการวิวาทไม่ต้องการสำนวนว่าไม่ต้องการศึกสงครามไม่ต้องการอะไรเลยสากอย่างนึ่งนะแต่ทําไมมันตรงกันข้ามหมดกับความต้องการของเขาอะนะคือไม่ต้องการทะเลาะวิวาทแต่ก็ต้องทะเลาะวิวาทสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเกิดจากอะไรหนอก็เกิดจากอารมณ์อันเป็นที่รักและอารมณ์อันไม่เป็น ที่รักนั่นเองเนี่ยนะเป็นตัวที่ทําให้เกิดการแก่งแย่งเกิดการทะเลาะวิวาทเกิดการชิงดีชิงเด่นเนี่ยนะก็คือเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักทีนี้สิ่งอันเป็นที่รักกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักอันนั้นนะเกิดจากอะไรก็เกิดจากเนี่ยนะฉันทะอนะความพอใจย้อนกลับมาว่าสิ่งอันเป็นที่รักในโลกเนี่ยนะที่เรียกว่าภาษาธรรมะใช้คำว่าปยรูปสาตรูปเนี่ยนะ สิ่งอันเป็นที่รักเป็นที่พอใจก็มองข้างนอกก่อนก็คือพวกปัจจัย4ี่ใช่ไหมเครื่องนุ่งห่มทั้งหลายก็เป็นที่พอใจของสัตว์เนี่ยนะอาหารก็เป็นที่พอใจที่อยู่อาศัยก็เป็นที่พอใจแม้กระทั่งหยกยาทั้งหลายเนี่ยนะคือวัตถุทั้งหลายพัสดุทั้งหลายในโลกนี้ทั้งหมดอะที่มันดีอะที่สมมุติกันว่าดี สิ่งเหล่านี้มีมในบุคคลใดบุคคลนั้นต้องการให้เป็นสาธานมสมมติ่ า, ามีรูปแล้วต้องการให้รูปอันนั้นเป็นของสาธารณะเนี่ยนะให้กระจายแบ่งไปหาคนอื่นเนี่ยนะมีอารมณ์มีอาหารมีที่อยู่อาศัยมีอะไรเนี่ยคิดไหมที่จะกระจายออกไปเนี่ยนะถ้าถ้าคนอื่นเขาจะมาเนี่ยเอาไหมให้ไหมอย่างงี้ยเนี่ยอันนั้นแหล ะ, ะการไม่ให้การติดข้องในสิ่งเหล่านั้นอ่ะไม่ประสงค์จะ นั่นเป็นมัชรยะก็าจึงว่าตณีเนี่ยนะไอ้ความตนีที่เห็นเห็นก็คือเช่นตณีที่อยู่เนี่ยนะเป็นพระภิกษุเนี่ยทั้งทั้งทีงท่ที่อยู่อาศัยทั้งหมดเนี่ยเป็นของสงฆ์เนี่ยนะเมื่อเป็นของสงฆ์แต่คนอื่นมาก็ไม่ยอมนะเป็นของชั้นอะ่ะชั้นมีสิทธิ์ชั้นมีอำนาจก็เลยเข้าใจผิดไปเนี่ยนะพอเข้าใจผิดก็หวงกันเสนาสนะของสงฆ์เข้า อันนั้นเป็นอาวาทมัฉริยะตะนีที่อยู่เนี่ยนะพวกพวกตนีที่อยู่ก็บางทีก็มีเหมือนกันนะเขาบอกใครโยมไปวัดไปนั่งที่ตรงไหนแล้วคนอื่นมานั่งแทนเนี่ยก็ชักมัคชอบแล้วนะแนะมกระั้งตนีแม้กระทั่งที่นั่งนะที่นั่งฟังธรรมเนี่ยบางทีบางคนก็ยังตนีเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นของดีอ่ยนะมันเป็นที่ตั้งแห่งความมัฉริยะแห่งผู้เป็นเจ้าของเนี่ยนะนะ คือเจ้าของมีวัตถุใดที่เรียกว่าของดีเจ้าของก็ไม่ต้องการให้เป็นสาธารณะแก่บุคคลอื่นไม่ต้องการให้ใครแต่ถ้ายังอยู่เป็นของตัวเอง <c oughs> แต่ถ้ายักย้ายบ้างอันนี้ไม่เป็นไรนนแต่ถ้าจะต้องเปลี่ยนเป็นให้ไปเป็นสมบัติของบุคคลอื่นเลยเนี่ยไม่ได้เครียดขึ้นมาเลยนะที่เรียกว่าจะต้องเสียวัตถุนั้นๆเนี่ยนะเครียดขึ้นมาอันนั้นแหละเรียกว่ามัฉระมัฉระ ลองสอบถามดูนะเอ๊ะวัตถุใดบัางที่เราไม่หวงเลยอย่างเง้นเด็นะลองไล่ดูวัตถุที่ที่เป็นของเราเลยนะที่เราพอนึกได้อะอะไรบ้างที่มันเป็นของเราแล้วไม่รู้สึกหวงเลยอย่างงี้ยนะมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคือหมายความว่าถ้ามันจะเป็นสาธานหรือมันจะเป็นของบุคคลอื่นไปอะไรไปเนี่ยนะแต่ว่าไม่หวงเลยเหมือนอากาศหายใจเนี่ยไม่ไม่ไม่หวงแบบนี้เลยนะเหมือนกับอากาศหายใจใครจะหายใจก็หายไปเนี่ยนะฉันไม่ได แต่นีอะไรเลยฉันหายใจก็แบ่งๆกันหายใจไปเนี่ยน ะ, อะขอให้วัตถุนั้นของเรานะที่ที่เรียกว่าเรามีสิทธิ์เรามีอำนาจนะถ้านึกปั๊บแล้วห่วงไม่ต้องการให้เป็นสาธารณะเมื่อไรอันนั้นเป็นมัจฉ ร, ริยะสังโยชน์นะมัจฉ ร, ริยะสังโยชน์ส่วนริษยาสังโยชน์ก็คือริษยานะคือของดีทั้งหลายที่มีอยู่ในบุคคลอื่นแล้วเวลาเรา รับรู้อะนะเมื่อเห็นเมื่อได้ยินเป็นต้นเนี่ยที่เขามีของดีเนี่ยนะอะไรก็ได้สักอย่างที่มันเป็นของดีอ่ะนะเสร็จแล้วเราไม่ต้องการหรือไม่พอใจเลยที่คนอื่นเขามีดีอันนั้นเป็นริษยาสังโยชนย์นะนะเช่นเขามีบ้านเราก็ไม่ไม่ก็งั้งั้นแหละนะไม่รู้สึกชื่นชมอะนะดีไม่ดีจะหมิ่นด้วยตําหนิด้วยเนี่ยงั้นๆแหละนะเขามีรถเก๋ยังงั้นยงงั้นแหละ เขามีอะไรไม่รู้สึกว่าเขาดีอะไรสักอย่างเลยนะเฉยหมดไม่ไม่มูที่ตาอะไรเลยอ่ะกลับไม่อยากพูดต่อโดยซ้ำไปไม่อยากรับรู้อ่ะไม่อยากนะเขามีดีแล้วไม่อยากรับรู้อะไรเลยอันนั้นแหละเป็นลักษณะของริษยาสังโยชน์เียนะบอกว่าฟังว่าคนอื่นเขามีดีเรื่องอะไรเนี่ยรับไม่ได้ทำใจไม่ได้อะไรก็ช่างเหอะที่ที่เรียกว่าเป็นวัตถุที่ดีๆนะแล้วก็เมื่อเราต้องรับรู้รับทราบแล้วไม่พอใจอันนั้นเป็นลักษณะของ ริศยาสังโยชน์ในเทรคาถาท่านแสดงว่าผู้ที่มีปัจจัยสี่หรือมีของดีๆมา ก, กนะมีมากเท่าไหร่ก็มีศัตรูมากเท่านั้นถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลใดก็ต้องการสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมันสิ่งเหล่านี้มันเป็นที่แย่งชิงกันเนี่ยนะวัตถุกามเนี่ยนะว่าสรุปมาง่ายๆก็คือวัตถุกามนั่นเอง ถ้าวัตถุการมคือวัตถุที่ก่อให้เกิดความปรารถนาวัตถุที่ก่อให้เกิดความพอใจวัตถุที่ก่อให้เกิดความยินดีมีอยู่ในบุคคลใดแล้วไม่ต้องการให้เป็นสาธานอันนั้นเป็นมัจฉระทีนี้ถ้าเมื่อไอสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในบุคคลอื่นแล้วเราไม่รู้สึกสดชื่นเมื่อรับทราบรับรู้เนี่ยนะอันนั้นเป็นดิสยาเป็นดิสยา มันก็ถ้าสอบสวนดูก็มีไม่ใช่น้อยเหมือนกันเนี่ยนะคืออริโดยเฉพาะตัวริสยานี่แหละมันสามารถไม่สามารถให้เจริญมุทิตาได้ซึ่งปกติก็ควรจะเจริญมุทิตาได้ใช่ไหมคือคนในโลกนี่มีดีให้เจริญมุทิตากันเยอะแยะไปหมดแหละแต่ว่า มันเจริญไม่ได้มันน่าจะได้แลเช่นเขามีเสื้อผ้าที่ดีใช้มีมีของดีะนะเขาต้องมีอย่างน้อยหนึ่งอย่างละที่มันรกระว่าเป็นสมบัติอะนะเช่นอาจจะมีอุปธิสมบัติมีโภคสมบัติมีประโยค่าสมบัติเขาต้องมีสักอย่างหนึ่งแหละที่เราพอที่จะยินดีกับเขาได้แต่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเพราะอันนั้นคือริษยาสังโยชน์นั่นเองนะกระว่าอิศสาสังโยชน์ ตัวสังโยชน์สองประการเนี่ยพระโสดาบันละได้เด็ดขาดนะพระโสดาบันนิละริสยาสังโยชน์ได้ละมัจฉริยะสังโยชน์ได้เด็ดขาดเห็นไหมแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วๆไปก็ยังละคือเอาเอามาคิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่จาต้องกล่าวว่าละนะเพราะว่าถ้าเป็นวัตถุของเราอะนะมันก็หน้าหวงแหนไปหมดอนยะ่างนั้นแท้ถ้าเห็นของบุคคลอื่นเราก็ รับรู้เมื่อไหรเราก็เฉยๆทุกทีไปอ่ะนะถ้ายิ่งแบบใครมาชวนเขามีของดีแล้วชวนให้ไปดูด้วยบางทีก็ยิ่งอาจจะก็อยากรู้ไปอย่างนั้นๆแหละางันแต่ก็ไม่โสมนัตไม่ไม่พลอยเชื่นชมอะไรอันนั้นเป็นอะริษยาสังโยชน์ตัวสังโยชน์ทั้งสองประการเนี่ยนะเป็นตัวที่ก่อให้เกิดการทำบาปมากที่สุดเนี่ยนะก่อให้เกิดการทาบาปมาก เพราะว่าหนึ่งคนที่ไม่ให้ทานเนี่ยนะก็เพราะสองตัวนี้คือตัวริสยากับมัชชริยสังโยชน์เนี่ยไม่สามารถจะให้ทานได้นั่นนะก็ตัวสองตัวเนี่ยทำให้คนดีเนี่ยเสียศีลเสียธรรมก็เพราะสองสังโยชน์สองตัวนี่นีก็คือเนี่ยภัยของวัตถุกรมทั้งหลายมันผู้ที่เจริญโดยเฉพาะสมถะเนี่ยเขาจะเห็นโทษของวัตถุกรรมอย่างแรงกล้านั่นนะ ถ้าเจริญสมถะเพื่อให้ได้ฌานนะต้องเห็นโทษของวัตถุกรรมอย่างแรงกล้าแต่ถ้าไม่คิดจะเจริญเอาฌานเอาอะไรก็ไม่ต้องเห็นมากก็ได้นะแต่ถ้าคนที่จะเจริญสมถะเพื่อที่จะประสงค์จะได้ฌานในจิตเนี่ยนะต้องเห็นภัยของวัตถุกรรมอย่าลืมว่าคนได้ฌานเนี่ยไม่มีโทสะใช่ไหมคนได้ฌานนี่ไม่มีโทส ะ, ทสะเข้าละโทสะได้ริษยากับมัฉิยะเกิดร่วมกับโทสะเนี่ยนะ เป็นเกี่ร่วมกับโทสะมูลจิตะนะถ้าปถมชานเนี่ยคือแค่กุศลจิตเกิดมากมันก็ละแล้วอุปจาระสมาธิมันก็ละแล้วแต่ละโดยต่ทางขะนะพอตัวชาณจิตนี่ก็ละละโดยวิคัมพนะประหารเนี่ยนะเนะพราะคนได้ชานเนี่ยมันจะไม่หวงวัตถุ ก, กามอะ่ะนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาสงัดจากกรรมอยู่แล้วเขาไม่ต้องการวัตถุกรรมอยู่แล้วเขาจึงได้ชาเนี่ยนะนะ ในถ้าศึกสงครามทั้งหลายและเนี่ยนะทั้งหมดอะศึกแย่งชิงทั้งหลายและเนี่ยเกิดจากริษยากับมัจฉะยะเนี่ยนะเกิดจากสองตัวเนี่ยที่ทําให้ปัญหาทะเลาะเบาะแหวงกันเข็นข่ากันเนี่ยนะพี่ทะเลาะน้องน้องทะเลาะพี่ก็เกิดจากเนี่ยมัจฉิยะสงครามทุกสงครามในโลกเนี่ยนะเกิดจากสองตัวเนี้เกิดจากริษยากับ มัฉระยะเนี่ยนะไล่เหอะทั้งสองตัวนะเพราะว่าเอริษยากับมัฉริยะนั่นอนะเป็นเหตุที่ทําให้สัตว์เนี่ยเข็นฆ่ากันทะเลาะเบาะแหว้งกันด่ากันแม้กระทั่งผูกเวรต่อกันอย่านะีก็บอกว่าอย่างผู้ที่ในที่เห็นนะ่ะนะพวกเมียหลวงกับเมียน้อยเนี่ยนะพวกนี้ก็คือริษยากับมัฉริยะนั่นแหละเป็นเหตุให้ไปทําบาปกับอีกฝ่ายหนึ่งที่น้องพระ ถ้าอนุรุทธะนะเกิดมาแล้วตอนหลังท่านเป็นโรคเรื้อนเะน่ยนะผิวเสียหมดเลยก็บอกว่าอดีตชาติเป็นสนมของเป็นมเหสีของพระราชาพระราชาไปโปรดปรานกับอีกฝ่ายหนึ่งเข้าก็ริษยาใช่ไหมริศยาเขาก็เป็นเหตุให้ไปทําให้ทําลายอีกฝ่ายหนึ่งนะนะกรรมมันั้นก็เป็นปัจจัยให้ผิวไม่ดีนะผิวผุพองไปหมดแล้วไอ้ตัวริษยาตัวนี้เนี่ยนะ ในในคาถาธรรมบทเนี่ยพูดถึงพระทิ่สุที่ที่เป็นเจ้าวาดเนี่ยนะคือพระชัมพูกะนะคงคุ้นเคยกันอดีตชาติของพระชัมพุกะเนี่ยนะชัมพูกะคือชาตินี้เขาเป็นคนที่เกิดมาแล้วก็ไม่กินข้าวกินแต่อุจจาระนั่นนะน้ดื่มเขาก็จะไม่ดื่มน้า ท, ทั่วไปเขาจะดื่มแต่ปัสสาวะนั่นนะก็น้ำเครวาอาหารเขาก็อุจจาระ น้ำก็ดื่มน้ำปัสสาวะแล้วก็ไม่นุ่งผ้าด้วยเนี่ยนะผ้านี้ไม่นุ่งหมดเลยผมนี่ต้องใช้เสี้ยนตาลเนี่ยถอ น, นนะก็ถอนผมใช้ชีวิตยอยู่อย่างนี้ห้าสิบห้าปีอ่ะตอนหลังพระพุทธเจ้าไ ป, ปโปรดจึงได้เป็นผ้ารหันนั่นนะก็บอกว่าอันนี้คือมาจากถามว่าที่ต้องทำตัวแบบนั้นนะ่ะเกิดจากอะไรเกิดจากมัจฉริยะเป็นปัจจัยนะตอนแรกจริงๆแล้วท่านเป็นคนดีมากใช่ไหนะ เป็นคนดีมีคุณธรรมสูงมากะนะแต่ตอนหลังมัชชิยะมันเข้าครอบงาทำให้ด่าพระหันพอไปด่าพระหันกกรรมมานั้นก็เป็นเหตุให้ตกนรกพ้นมาจากนรกเป็นปัจจัยแก่มิจฉาทิฏฐิต่างหากเนี่ยเป็นปัจจัยแก่มิจฉาทิธฐิลวงโลกแต่ก็เกิดในกาลสมบัติที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปสงเคราะห์ทัน